พระธรรมเทศนาแผ่นที่61ดลำดับที่24โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่28กรกฎาคม2554มีชื่อเรื่องว่าสินห้าและวิญญาณบ้าไม่รู้จักจำลูกหลานอยู่ในความสงบจะคุยกัน เวลากลับไปถึงโรงเรียนแล้วครูคุณครูประจำชั้นจะถามนักเรียนว่าเราไปวัดป่านาคําน้อยที่ไปหาหลวงตาอินนะ่ะหลวงตาอินสอนอะไรบ้างเอานักเรียนแต่ละคนยืนขึ้นเอาตอบนะครูประจําชั้นจะบอกให้นักเรียนแต่ละคนละคนตอบว่าได้ฟังหลวงพ่ออินพูดอะไรบ้างในวันไปวัดหลวงพ่ออิน ถ้านักเรียนไม่ตั้งใจฟัง น, ะนักเรียนจะไม่เข้าใจนะตอบครูไม่ได้นะเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อหลวงตาอินเนี่ยจะพูดให้ให้ลูกหลานฟังนะหลวงตาจะพูด เ, เบื้องต้นนะ่อย่างลูกหลานทุกคนนะ่ยอันดับแรกก็หลวงตาอินพาพารับสินนะพาสมาทานสินหลวงตาวันน้าโมตตะปะปะกวโตัวระหะโตสัมมาสัมพุทธะแปลว่านะแปลเป็นภาษาไทยละว่า ข้าพระเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นน่ถ้านักถ้าครูถามอ่ะเอา้าหลวงพ่ออินว่าน้โมน่ะหลวงพ่ออินแปลว่ายังไงให้นักเรียนตอบได้เลยว่าหลวงตาอินหลวงพ่ออินบอกว่าเอาน้ามโมตัสตาเนี่ยแปลว่า น, นอบน้อมพระพุทธเจ้าไม่ต้องตอบมากหลวลงตาหลวงตาอินบอกว่าให้นอบน้อมพระพุทธเจ้าก่อนฮะนี่แหละ อันนี้ก็คือตอบได้ถูกแล้วท่นี่อย่างพุทธังธำมังสังคังสารนางคัดฉามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมข้าพเจ้ายึดยึดคือยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ประเสริฐพระสงฆ์ก็ที่นําพระธรรมมาสั่งสอนก็ประเสริฐเลิศเพราะฉะนั้นพวกเราจึง ยึดพระพุทธเจ้าพ ร, ระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งถ้าครูถามว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นหลงตาอินบอกว่ายังไงพวกลูกหลานก็ตอบว่าพวกเราหลงติอ็นบอกให้ยึดเป็นชัลณะเป็นที่พึ่งทาง จ, จิตใจอันนี้ก็คื อ, อพุททางธรรมังสังขังจากนั้นก็ปานาติปาตาเวรมณีพวกเราอย่าฆ่ากันนะ อย่าไปคิดฆ่ากันถ้าคนนั้นคิดฆ่าคนนี้คนนี้คิดฆ่าคนนั้นพวกเราจะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้อันนี้สินข้อที่นึงถ้าครูถามว่านักเรียนสินข้อที่หนึ่งนั้นมีความหมายว่าอย่างไรหลวงตาอินอธิบายว่ายังไงพวกเราก็ตอบเลยว่าหลวงตาอินบอกว่าอย่าคิดฆ่ากันถ้าพวกเราคิดฆ่ากันคิดฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่า พ่อแม่ของเราฆ่าวงศ์ตากัญ า, าติของเราเราคิดฆ่าคนอื่นเขาจะหาความสงบสุขไม่ได้มีแต่ความทุกข์เพราะคิดฆ่ากันเพราะฉะนั้นอย่าคิดฆ่ากันอันนี้คือศินลงตัอินอธิบายวันนั้นที่2องทินนาทานอาทินนาทานาเวรามาในสินข้อที่สองนักเรียนอย่าไปขโมยกันนะถ้านักนักเรียนไปขโมยกันขโมยสมุดขโมยดินสอขโมยรองเท้ากัน มันจะยุ่งเหยิงุูนวายไปหมดหลวงตาอินบอกว่าอย่าขโมยของกันและกันอันนี้คือสินข้อที่สองข้อที่สามให้เคารพน้องนุ่งหลอกของเขาพี่ของเขา้องของเขาเราจะไปทำมีดีมิร้ายต่อน้องต่อพี่ของเขาให้เคารพสิทธิ์ของเขาของเราอันนี้สินข้อที่สามข้อที่สอย่ากโกหกอย่าต้มตุนอย่าลวกลวงอย่าขี่ตัว ผู้เอิให้เฝ้าตรงไปตรงมาอันนี้คือสินสินข้อที่สี่ข้อที่ห้าอย่าไปดื่มสุราอย่าไปดื่มเสพยาคันชายยาฝิ่นเฮโรอีนอย่าไปทดลองถ้าใครไปทดลองแล้วติดยาเสพติดแล้วอันตรายนี่หลยมีสินอยู่ห้าข้อครับคุณครนะูอธิบายให้คุณครูฟังได้แต่ให้หลวงพ่อจะเล่าให้ฟังนะเล่านิทานเลยนะเในครั้ง ในครั้งพระพุทธเจ้าของเรานะมีมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเด็กหนุ่มนี่แหละแล้วก็มีตระกูลพ่อแม่เขาเป็นเศรษฐีอตรปูของเขาเป็นเศรษฐีพ่อปูเป็นเศรษฐีก็มาแบ่งสมบัติให้แก่ลูกชายพอลูกชายกับลูกชายก็ไปธมาค้าขายต่างคนตามไปธมาค้าขายในคนละสี่สิบแปดสิบล้านว่ะในคนละ เป็นร้อยกว่าล้านเหมือนกันเถอเงินเนะ่ะทีนี้ก็เศรษฐีออกมาค้าขายพอมาค้าขายแต่อาณาถาเบนติกาเศรษฐีเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเนี่ยรวยคนเนี่ยเออรวยเอแต่ทีนี้เศรษฐีพี่น้องของอาณาถาเบนติกาเศรษฐีท่านก็รวยอยู่แต่หลานของท่านนะท่นเนี่อลูกของพี่ชายนั่นนะ่ะได้เงินมาแล้วถลุงเล่นทะนเนี่ย เอาไปเที่ยวไปเล่นไปกินเหล้าเมายาเที่ยวสัมภเทมวทเมาเออพยคนในโซก็เลยเจ๊งคือกิจการเจง๊งเหมือนกันแ ะ, ะหมดเงินพอหมดเงินทีนี้ก็ทําไมถึงหมดเงินเพราะเขากินเหล้าแน่ในหละข้อสุราเนี่ยนะมันเขาไปกินเหล้าจับหมูจับเพื่อนมาแล้วก็เลี้ยงเหล้ากันจากนั้นก็หาผู้หญิงมาล่องลาทําเพลงเดินดนตรีหมอนาวงลำหมู ก็ว่ากันไปแล้วนี่สนุกสนานรื่นเริงแต่ไม่ได้ทํามาค้าขายากิจการก็เลยแจ้งบ้านนี่พอแจ้งเสร็จแล้วก็หมดเงินก็เลยเข้าไปหาอาเหมอนนเลย อ, า, อาครับผมขอยืมเงินเอาไปใช้หน่อยครับเพราะผมมีความจําเป็นจะต้องได้ใช้เงินอาเขาเออเอาเอาเท่าไหร่เอาเอาเท่านี้แสนครับรอเอาให้เป็นแสนไปเลยเข้าไปอีกไม่นานอีก ผมผมขอยืมเงินครับอ่าอีกเอาไปยังไงผมผมไม่มีเงินใช้ครับเอาเอาไปอีกพอมาครั้งที่3มเอาทําไมทําไมเอาไปใช้ยังไงเงินสืบสอบดูแล้วเอาไปกินเหล้าเท่นี่เอาไปกินเหล้าเอาไปเที่ยวเอาไปสนุกสนานไม่ใช่เอาไปทํามาค้าขายอนาถาบิดีก็บอกเลยอย่ามาอีกนะเอามาเอาครั้งนี้แล้วอย่าเข้ามาอีกถ้าเข้ามาอีกไม่ได้นะ ไม่ให้นะ เ, เดี๋ยวโดนไล่ออกนะเจนี้์ก็พอครั้งที่ที่สามได้ไปแต่นี้มันคนเคยได้ใช่ไหมละ่ะพอครั้งที่สี่ก็เข้ามาอีกกว่ะเข้ามาคราวนี่กันนี่แล้วอนณาถามันได้ก็ใส่กองแขนใข้ให้เลยวะใส่กองมือให้เลยใส่ไม้ไข่คัดคอให้เลยเขาเหล็กใส่คือใส่คาทําไหมนั่นอ่ะเอาไม้ล็อกคอเลยดึงออกไปข้างนอกเหมือนกับจูงควายอย่างนั้นแหละเีดียจูงหลานตนัวเองไง จ, จุงหลานนักเลงเหมือนกัน่ะจุงหลานขี่เล่าอ่ะออกไปอย่าเข้ามาในบริเวณนี้เด็ดขาดถ้าเข้ามาคราวหน้าเนยจับไปขังคุกเอ้มันก็ออกไปเลยตัวเองเขาลากคอออกไปยอนาถาเด็กเลยไปกราบพระพุทธเจ้าเพราะว่าโอ้หลานของข้าพระองค์เนี่ยทำไมจึงเลวถึงขนาดนั้นพ่อแม่เขาก็เป็นคนดีมรดกก็แบ่งให้กันกเสมอกันแต่พอออกไปแล้วเอาไปถลุงเล่นเอาไปเที่ยวเอาไป กินเหล้าเมายาชื่อจะเสียหายหมดพระพุทธเจ้าบอกว่าเอ้ยเด็กคนนี้นะ่ะไม่ใช่แต่เป็นแต่คราวนี้นะแต่คราวก่อนก่อนก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนีอพระพุทธเจ้า ว, ว่านะอาณาถาเดลก็เลยถามว่าเป็นพ่อสมัยไหนบอกอนณาถาเพราะชาติที่แล้วเนะี่ยชาบขราวก่อนนะเราเคยเป็นเศรษฐีเอเป็นเศรษฐีเลี้ยงเอ ได้เลี้ยงมีชั้นลกชายอยู่คนเดียวลิเชตีเนี่ยแต่สร้างโรงทานโรงทานไว้ในในประตูเมืองเลี้ยงคู่เลี้ยงคนแล้วก็ทาํามาค้าขายกิจการก็รวยจเจริญรุ่งเรืองพ่อต่อมาเนี่ยพ่อเนี่ยทำบุญทําทานกับคู่กับคนอย่างมากแล้วก็เออทำมาให้ประเทศชาติจเจริญรุ่งเรืองจากนั้นพ่อก็เลยถึงอายุพ่อก็เลยตายไง พอตายแล้วไปเกิดเป็นพระอินอยู่บนสวรรค์ไปเกิดพระอินทอยู่บนสวรรค์แท้นี่จากนั้นไอ้ลูกชายเนี่ก็ดำเนินกิจการต่อพราะดำเนินกิจการต่อนี่ก็กินเหล้าอย่างว่าวกินเหล้าเมายาการพนงการพนันทั้งผู้หญ่าผู้หญิงเอาเงินมาถลุงเล่นมดัดมดเงินเป็นคนจนแต่นี้พระอินทอยู่บนสวรรค์แท้นี่โอ้มองดูตายลูกชายของเราก็ลูกชายคนเดียว สมบัติที่เราหามาให้ก็มากมายมหาศาลท่านบริหารบริการดีๆเนี่ยกินเจ็ดโชคโคตรก็ไม่หมดแต่อันนี้มันถลุงเล่นเหมือนกับคนโง่คนปัญญาอ่อนโอ้เอาอย่างไงเรานะลูกของเรานะพระเอ็นก็อดรดนทนไม่ได้ลงมาจากสวรรค์ลงมาหาลูกชายอย่างนั้นแหละมาพูดกับลูกชายเออลูกที่รักของพ่ อ, อ, อบอกว่าลูกที่รักของพ่อนะ เป็นยงไงล่ะลูกโอ้ผมจนครับอ่พระพ่ทอินนิรมิตเหมือนพ่อเด้ลงมาเออเ อ, เอาเอาจากนั้นลูกนะพ่อจะให้หม่อใบหนึ่งให้หม่อใบหนึ่งต่อ น, นี้ไปลูกหยุดชนะจะไปกินเหล้านะจะไปเสพยาเสพติด น, นะจะไปกินยาบ้ายา้าไหนสักวันอย่างนี้นะยาชันชายาฟินโเฮโรอีนอย่าไปเที่ยวอย่าไปเตรมากนะลูกนะเออ นี่แนหะพ่อเอาเอาหมอ้อเอาหม้อให้ใบนึ่เออถ้าว่าลูกอยากจะได้เงินก็ให้ล้วงเอ า, เอามือเข้าไปในหมอนะ้อแล้วเอาเงินออกมาแกจ่ายเลี้ยงชีวิตนะลูกนะเอาหมอ้อพ่อให้หมอ้อให้หม้อสารพัดนึกเอาเอาหม้อให้ใบหนึ่งพ่อต้องลูกต้องการเงินก่อนล้วงมือเข้าไปในหมอ้อแล้วก็เอามาซื้อของอยู่ของกินทํามาค้าขายนะลูกนะ ทางลูกชายนี่ยก็ได้มอไปนะมัก็โอ้ดี อ, อกดีใจทีนี่แม่ใหม่ๆก็เป็นคนดีไงเป็นคนดีเนี่ยอยากจะซื้ออะไรก็ล่วงมือเข้าไปในในมอเข้ามาซื้อสิ่งซื้อของทาํามาค้าขายเจริญรุ่งเรืองขึ้นมารวยขึ้นมาอกาีกเหมือนกนเถอเป็นคนดีทีนี่พอก็อดีไปในระดับในระดับหนึ่งไอ้พวกขี้เล่าทั้งหลายก็มาเอกเนี่ยเข้ามาหาเห็นว่าเศรษฐีมันเริ่มรวยเลยเด เขามาก็มาขอกินเหล้าอีกอย่างเก่านะตอนนี้ก็ถันหลําก็ติดไปเหล้าอีกนะพ่อติดเข้าไปในเหล้าทีนี้กินเหล้าเมาเขามาแล้วก็ทางมาลุ้นร้องรา ท, ทําเพลงเหมือนกันเอะผลได้สุก็เลยโยนหม้อไปนั้นเล่นทีนี้เออโยนหม้อไปใั้นขึ้นอากาศโยนไปกัรับโยนไปกัรับโยนไปโยนมาเอาไปมาหม้อไปนั้นก็นกนตกผัดมือตรงวันน่ะหลุดมือเหมือนหม้อหลุดมือตกปุ๊ลงใส่กับพื้นเลย หม้อใบนั้นก็เลยแตกพอแตกทีนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเออหมดทางหากินเลยบัดนี้พระอินทร์อยู่บนสวรรค์ก็โอ้ลูกเอ้ยเออว่าความชั่วเลยเลี้ยงยังไงก็ไม่โตแนะนำยังไงก็ไม่ดีเพราะเหตุใดพาอลูกไม่มีความรับผิดชอบออพ่อช่วยไม่ได้แล้วช่วยความโง่องของลูกเนี่ยนี่แหละ นิทานเรื่องนี้นะลูกหลานนะเออพระอินทร์ก็ช่วยไม่ได้ถ้าคนชั่วแล้วเพราะฉะนั้นขอให้ลูกหลานเป็นคนดีนะเออให้เป็นคนดีสิ่งไหนที่มันที่มันไม่ดีอย่าทําถ้าทําไปแล้วเนะ่ะพระอินทร์เทวดาก็ช่วยไม่ได้เพราะช่วยคนคนชั่วนะเพราะฉะนั้นขอให้ลูกหลานนะถ้าครูคุณครูถามว่าเออนักเรียนไปหาหลวงพ่ออินหลวงพ่ออินเล่านิทานอะไรให้ฟังบ้างฮะ ให้พวกพวกลูกหลานจําไว้ให้ดีนะถ้าลูกหลานมีแต่คุยกันแต่จาไม่ได้นะอถ้าจําไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวโดนไม้เหลียวของคุณครูนะเพราะว่าพอนักเรียนจําไม่ได้นะแต่นักเรียนตั้งใจฟังหลวงพ่ออินพูดเนี่ยนักเรียนจะจําได้วันนิทาน ARE เรื่องนี้หลวงพ่ออินสอนว่ายังไงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าเป็นคนเลวแล้วใครก็เลี้ยงไม่ได้พระอินก็เลี้ยงไม่ได้ เทวดาก็เลี้ยงไม่ได้เพราะมันเป็นคนเร็วนะขนาดเอาหม้อสารมัินมหม้อสารพัดนึกให้ล้วงเอาเงินออกมาใช้ก็ยังไปโยนหม้อเล่นจนหม้อตกแตกก็จนอีกอย่างเก่านะเพราะนั้นขอให้ลูกหลานนาวันนี้หลวงพ่อพูดให้เพียงเท่านี้แหละเอาตอนนี้ไปจะทำอะไรก็ทำแล้วเนี